รู้จริงแล้วจัดให้ตรงได้พระสาวกจึงไปถึงพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าจะเขียนแค่อย่างพลางก่อนแต่ชักจะยืดยาิควรพูดแค่คร่าวๆในระยะแรกหลังตรัสรู้เมื่อมีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์หสรูปพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งท่านเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนาในถิ่นแดนต่างๆโดยไปไม่ซ้ำทางกัน นั่นก็คือทุกท่านซึ่งเป็นพระอระหันต์แล้วเป็นที่ไว้วางพระทัยว่าสามารถแสดงธรรมที่ถูกต้องแทนพระองค์แล้วพระพุทธศาสนาก็เจริญแผ่ขยายออกไปต่อมาสังฆาเติบใหญ่ขึ้นมีพุทธสาวกจำนวนมากที่มีความสามารถในการสั่งสอนถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างสูงเช่นพระสารีบุตรอกรสาวกที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวผู้ยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเหมือนสาวรีบุตรเลยมีพระมีคนไปสักถามฟังธรรมะจากพระเทระพระเทรีทั้งหลายบางคนออกมาแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องที่ไปสักถามสนทนามาจบแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงแม้มีใครมาซักถามพระองค์ในเรื่องนั้นพระองค์ก็จะทรงตอบอย่างนั้นเหมือนกันเล่าเป็นตัวอย่างว่าวิสาขอุบาศกไปนมัส ก, การพระธรรมทินนาเทรีซึ่งเป็นเอตัดคะในบรรดาธรรมกติกาคือเป็นผู้เลิศในด้านนี้นะครับวิสาขอุบาศกถามปัญหาธรรมะต่างๆที่ลึกซึง้งเมื่อจบการสนทนาลาออกมาแล้ว วิสาขอุบาสกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดังที่ท่านบันทึกไว้ดังนี้วิสาขอุบาสกได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระวิสาขะธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก แม้หากท่านพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็พึงตอบชี้แจงเนื้อความนั้นเหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณีตอบชี้แจงแล้วพระมหากจานะเป็นมหาสาวกที่เผยแผ่พระศาสนาอยู่ในอวันตรีรัฐห่างไกลมีความสามารถสูงในการสั่งสอนอธิบายธรรมพระมหากจานะนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเอตทัทธกะในทางแจกแจงอธิบายขยายความย่อให้พิสดารแล้วก็มีคาสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมากหลายสูตรและหลายครั้งเรื่องที่ท่านตอบอธิบายก็มีผู้นำมาเล่าถวายพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ตรัสรับรองยกย่องทุกครั้งไปดังที่ว่าภิกษุทั้งหลายมหากรจาณะเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก แม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกับเราเราก็จะตอบชี้แจงเนื้อความนั้นยังเดียวกับที่มหากจานะตอบชี้แจงแล้วเหมือนกันยิ่งพระอัครส า, าวกคือพระสาวรีบุตรและพระมหาโมคลานะด้วยแล้วท่านทำงานอยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดติดตามไปเรื่องที่มีบ่อยคือในที่ประชุมโดยเฉพาะตอนดึกพระพุทธเจ้าจะทรงเอนพัก ก็ตรัสมอบหมายให้พระสารีบุตรกล่าวธรรมกถาแก่ภิกษุสงฆ์ตัวอย่างเช่นที่เกิดสังคีติสูตรขึ้นเป็นต้นแบบของการสังคยนาดังได้เล่าแล้วเมื่อกล่าวธรรมกถาจบแล้วสเสด็จลุกขึ้นประทานสาธุการจึงเป็นธรรมดาที่เทศนาของพระสารีบุตรเป็นพระสูตอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายไม่เฉพาะพระพุทธวจนะ และธรรมะาถาเทสนาของพระสาวกผู้ใหญ่เท่านั้นที่ท่านเก็บรวมไว้ในพระไตรปิฎกแม้แต่พระเล็กพระน้อยที่ยังฝึกยังปฏิบัติอยู่บางทีไปนั่งอยู่ในปา่าเกิดความรู้สึกนึกคิดบางอย่างขึ้นมาเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างบางองค์ถึงกับมีเทวดามาเตือนทำให้ได้สติขึ้นมาท่านก็เก็บเป็นพระสูตรไว้ในพระไตรปิฎก จึงมีพระสูตรที่เป็นเรื่องใหญ่บ้างเรื่องย่อมบ้างเรื่องย่อยบ้างมากมายหลากหลายเรื่องเล่าความเชื่อถือเก่าๆสืบมาในชมพูทวีบดาบทฤษสีเป็นต้นก็มีช่องมีที่แสดงตัวเช่นในชาดกได้เห็นวิวัฒนาการทางความคิดความเชื่อที่รู้จักทิฏฐิลัทธิที่นำมาสู่การตรัสธรรมะเพื่อแก้ความเข้าใจ เมื่อรู้จักคน้นรู้จักอ่านพระไตรปิฎกก็จะได้ศึกษาได้สดับพุทธวจนะในบริบทหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมเช่นชีวิตความเป็นอยู่ในสังฆะบรรยากาศในวัดในบ้านเมืองในสังคมสมัยนั้นลัทธิศาสนาความเชื่อถือสืบมาได้เห็นเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาอันเป็นจุดปรารถ ให้เกิดให้ตรัสพุทธวจนะนั้น น, น, นอกจากได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องรอบล้อมแล้วการเทียบเคียงและมองพุทธวจนะกลางสิ่งแวดล้อมนั้นยังช่วยให้เข้าใจพุทธวจนะเองได้ดีได้ชัดยิ่งขึ้นด้วยข้อสําคัญผู้อ่านผู้ศึกษาก็แยกเองได้ว่าอันไหนเป็นพุทธวจนะอันไหนเป็นอะไรอื่น เพราะในระบบการรวมรักษาพระไตรปิฎกนั้นท่านจัดไว้ให้แยกได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอยู่บ้างเมื่อเราแยกเองได้แล้วเราก็ยิ่งได้ความรู้จากการเปรียบเทียบพระพุทธวจนะและพระพุทธศาสนากับอะไรอะไรอื่นๆ อ, อ, อีกด้วยยิ่งเห็นชัดเห็นโล่งมากขึ้น เมื่อตอนเองมีความรู้พื้นฐานที่จะรู้เข้าใจแล้วก็มองเห็นว่าเราอ่านค้นพระไตรปิฎกเต็มทั้งหมดดีกว่าเราก็แยกได้ว่าพุทธวจนะคืออันไหนแค่ไหนตรงไหนใช่ตรงไหนไม่ใช่และบางทีก็อาจจะไปแย้งแคลงสงสัยต่อท่านที่คัดแยกพุทธวจนะไปรวมไว้ต่างหากว่าตรงนี้ไม่น่าคัดไปเป็นพุทธวจนะทำไมเอาไปตรงนี้ น่าจะคัดเป็นพุทธวจนะได้ทำไมข้ามไปและยังไม่นับที่คัดไปผิดผิดและคัดที่ผิดผิดไปในการยาวนานที่ผ่านมาท่านผู้รู้หลายท่านที่รู้เข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกเพียงพอท่านก็ตัดคัดเอาพุทธวจนะไปรวมเป็นส่วนเฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเรื่องๆ เ, เป็นกรณีกรณีไปและที่สำคัญ ท่านทําการนั้นโดยไม่ให้กระทบตัวพระไตรปิฎกที่เก็บรักษากันสืบมาและต่อไปพระไตรปิฎกก็เป็นหลักอยู่เต็มรูปเต็มความได้ทราบว่าในหนังสือวงเล็บไว้นะครับว่าถ้ามิใช่ว่าอย่างนี้โปรดช่วยบอกเพื่อทำให้ชัดต่อไปได้ทราบว่าการที่พระครกฤตตัดพระสูตรคําสอนของพระสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระสารีบุตรเป็นต้นออกไปนั้น ท่านอ้างพุทธพจน์ที่ตรัสเตือนถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาซึ่งจะเกิดจากการที่พระไม่ตั้งใจสดับศึกษาตถาคตพาษิทธแต่ไปใส่ใจเล่าเรียนสาวกภาษิทธิ์ขอยกมาแห่งหนึ่งอีกประการหนึ่งในอนาคตตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มิได้เจริญกายมิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้น ครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลายที่เป็นตถาคตภาสิทลึกซึง้งมีอัฏถะล้ำลึกเป็นโลกุตระเกี่ยวด้วยสุญญาตาจากไม่ตั้งใจฟังไม่เงียโสโตรลงสดับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ไม่สำคัญเห็นธรรมะเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียนแต่เมื่อเขากล่าวสูตรทั้งหลายที่กวีแต่งเป็นบทกวีมีอักขระพยัญชนะวิจิตเป็นเรื่องภายนอก เป็นสาวกภาษิทธ์จากตั้งใจฟังจากเงียสโสดลงสะดับจากตั้งจิตเพื่อจะรู้และจากสำคัญเห็นธรรมะเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียนโดยในนี้แหละเพราะธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนในที่นี้ตามที่ว่าไว้จะพูดคร่าวๆก่อนคือการยกพุทธพจนี้มา เป็นการดีในแง่ที่จะเตือนพระตลอดจนพุทธบริษัททั้งหมดให้ใส่ใจศึกษาคำตรัสสอนธรรมะที่เป็นหลักเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาไม่เขวไปกับเรื่องภายนอกแต่ไม่ใช่เหตุผลสําหรับกรณีนี้ 1. ดังที่ว่านั้นพุทธพจน์นี้เป็นเครื่องเตือนให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรักษาพุทธพจน์พุทธวจนะ และพระไตปิฎกทั้งหมดเป็นคนละเรื่องกัน 2. พุทธพจน์ที่ตรัสเตือนนี้และพระธรรมคําสอนที่ตรัสเตือนให้ใส่ใจศึกษานั้นก็เก็บรักษามีมาในพระไตปิฎกนี้เองตั้งแต่ต้นที่จะมีพระไตยปิฎกให้เรารู้เห็นพุทธวจนะได้ก็ด้วยเหล่าพระสาวกในฐานะผู้สดับผู้ถ่ายทอด ได้เก็บรวบรวมพุทธวจนะนำมาบอกเล่ากล่าวสังคยนาเกิดเป็นพระไตปิดกแล้วรักษาด้วยการทรงจำสาธยายต่อกันมาตลอดจนช่วยกันสอนศึกษาสืบทอดไว้สาวกทั้งหลายนี้เองทั้งสดับทั้งรวบรวมทำสังคยนาทรงจำเก็บรักษาสาธยายถ่ายทอดพุทธพจน์พุทธวจนะตลอดจนบรรดาเรื่องราวแวดล้อม ประมวลไว้เป็นพระไตรปิฎกที่ตั้งไว้เป็นหลักตราบไดพระไตรปิฎกบาลียังอยู่พุทธวจนะและเรื่องราวแวดล้อมนั้นก็อ ย, อยังอยู่ในแงน่นี้พูดล้อภาษาที่เล่นแต่เป็นจริงว่าเพราะสาวกภาศิทธมีพุทธภาษิทธจึงมา 3. เป็นอันว่าคำพูดคำกล่าวของพระสาวกทั้งหลายนั่นเอง เป็นที่เก็บรักษาสื่อสารพุทธพจน์พุทธวจนะและเรื่องราวแวดล้อมในพระไตยปิฎกเป็นองค์แทนของเนื้อตัวพระไตยปิฎกเลยทีเดียวพูดกลับทางว่าพุทธพจน์พุทธวจนะและเรื่องราวแวดล้อมในพระไตยปิฎกอยู่มาในคำพูดกล่าวเล่าสาทยายของพระสาวก 4. คํากล่าวเล่าสาทยายของพระสาวกที่ได้เป็นพระไตปิฎกทั้งหมด เป็นที่เก็บรักษาเป็นสื่อถ่ายทอดพุทธวจนะนั้นต้องแยกเป็นคนละอย่างกับคำว่าสาวกพาสิทธในพุทธพจน์ที่ตรัสเตือนอันนี้ดังว่าแล้วพุทธพจน์ตรัสเตือนนี้ก็มาถึงเราได้โดยอยู่มาในคำของพระสาวกอย่างที่ว่านั้นเท่ากับพุทธพาษิทธมาถึงเราโดยสาวกพาสิทธห คำว่าสาวกภาสิทธ์ในคำตรัสเตือนนี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดคำสอนของพุทธสาวกดังเช่นพระสารีบุตรแต่อย่างใดเลยเป็นคนละเรื่องกันเริ่มต้นก็บอกว่าในอนาคตตการสแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่คำของพระสาวกเช่นพระสารีบุตรซึ่งมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ในพุทธกาลแง่ต่อไปสาวกภาสิทธ์ในที่นี้ไม่เป็นคำโดด ที่มาลำพังตัวที่จะมีความหมายต่างหากของมันเองแต่มาในข้อความที่คำย่อยๆเข้าชุดกันกํากับจํากัดความหมายให้จำเพาะลงไปดังนี้สุตันตากวิกตากาเวยาจิตตะคราจิตตบยัญชนะพาหิรากาสาวกภาพาสิตาเพื่อไม่ให้ยืดยาดดูที่คำบ่งชัดคำเดียวได้แก่ พาหิรากะในวงเล็บพาเหียนคือเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาแค่นี้ก็พอที่จะยุติได้พาหิรากะสาวากาภาสิทธคือข้อความเรื่องราวที่พวกสาวกลัทธิหรือคนนอกพระพุทธศาสนาคิดแต่งพูดบอกออกมาส่วนคำของพระสาวกในพระไตรปิฎกนอกจากมีมาเก่าแต่เดิมตั้งแต่พุทธกาลแล้ว ก็เป็นคำบอกเล่าถ่ายทอดพระธรรมของพระพุทธเจ้ากล่าวตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกสอนไว้ตลอดจนชี้แจงพุทธประสงค์มิใช่เป็นการบอกลทัทธิคำสอนที่ท่านคิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นจะนำพุทธพจนี้มาอ้างเพื่อตัดพระสูตรคำสอนของพระสาวกเช่นพระสาวรีบุตรในพุทธกาลออกไปไม่ได้แถมท้ายนิดคาว่าสาวก เป็นคำค่อนข้างลอยๆถ้ามาลำพังทำให้สงสัยว่าสาวกของใครจึงมักมีคำอื่นมาด้วยที่จะช่วยกากับความว่าเป็นสาวกของใครเช่นโคตมัสสะสาวกโกภักขวะโตสาวกาแต่บางทีไม่มีคำอื่นมาด้วยที่จะกากับท่านผูกเป็นคำเดียวเลยก็มีอย่างในหลักเรื่องพระทุดงห้าจำพวกใช้คำว่าพุทธสาวกเมื่อตรัสว่า จำพวกหนึ่งถือทุดงข้อนั้นด้วยรู้ตระหนักว่าพระพุทธทั้งหลายพุทธสาวกทั้งหลายสันเสริญบาลีว่าวันนิโตพุทเทหิพุทธสาวกเกหิในกรณีที่พิจารณากันมานี้มีใช่เพียงแค่สาวกแต่เป็นสาวกภาสิตาแล้วก็มีคำที่ถือได้ว่ามากำกับคือพาหิรักา ทำให้แปลว่าสาวกพาสิทธ์หรือสาวกพาสิทธิ์นอกพระพุทธศาสนา